ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงเล่าไว้ในพระสูตรนะ วันนี้รู้สึกมีแต่ธรรมชาติที่ร่มรื่นอ่ะนะที่จะ ผู้ไม่เข้าใจเลยเขาก็ไม่สนใจเลยรู้จักเลยที่ท่านจะมาพบสิ่งท่านต้องการเข้าใจ รู้ปุถุจังเป็นพระโสดาบันตรงไหนเมื่อไหร่ไม่มีครับแล้วหัว กิฑานึงเป็นปุถุชนอยู่ครับนะพุทธเจ้าจึงสอนใครไม่ได้ครับเพราะว่าท่านยังไม่รู้เมื่อเจ้าฉาเดินนั่งก็เดินนั่งในโมหะ ที่ผลุงขึ้นช้านะครับหลังจากตรัสรู้ 4-5,000 ปีนั้นไม่มีใคร พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะคือเจ้าชายสิทธัตถะได้ตายไปแล้วปะดิณ ในซึ่งไม่มีความต้องการอะไรตาของพุทธะซึ่งไม่มีความต้องการ หลังจะหลายประเภทครับมีเพราะตัณหามีหลายระดับหลายประเภทคือภวะตัณหานี้ผู้เข้าฌานระดับสูงสุดขึ้นไปเช่นฉฬะระดับ ล้วนแล้วจะอยู่ในตัณหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเจ้าชายนั่งนอนยังไม่รู้สิ่งที่อยู่นอกตัณหาดัง จับต้องสิ่งของมองต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับอิริยาบถแรกของท่านคือลุกขึ้นอทิสถานจงกรมคือท่านเดิน จะเดินอย่างปุถุชนกินอย่างปุถุชนบัดนี้กล่าวเดินอัตถิฐานที่ใต้ลมพระสีมหาโพธิ์นี่ครับเป็น 9, 9 ย่างของพุทธะแล้วท่านเหลียว 7 วังครับเป็นการมองด้วยสายตา อากัปกิริยาของพระพุทธเจ้าหลังเลิศสุดหรือจอมจริง เต็มบริบูรณ์ปราศจากความขัดแย้งและตัณหาฉะนั้นเราปฏิบัติชาวพุทธๆนั่นเองเป็นการปฏิบัติพระนั่งนอนยืนนอน มันหาเกิดที่ใดให้มันดับกันน่ะที่นั้นนะไม่ใช่เกิดตรงนี้แล้วมันดับตรงโน้นแต่มันปรากฏขึ้นที่ใดให้มันดับตรงที่นั้นดังนั้นเอง ไค่ด้วยหัวใจสิ่งเบาครื้นไม่อยากได้อะไรไม่สนใจอะไรไม่กลัวอะไรเป็นจอมสุดจน วันสุทธาที่ล้มกายลงนอนปรินิพพานก็นอนในลักษณะของมุตตราครับคือท่านนอนเอียงข้างขวาไม่มีความ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นสัมพันธ์ กิฏาจกคืนกลับมาเป็นไม้ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นทางเส้นเอ้ยฉันเข้าวัดแล้ว เราต้องการเปลี่ยนสภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาๆนะครับว่า ตําราพุทธาคมจักตรรู้แล้วท่านร้องอธิษฐานขึ้นมานะโอทันจริงๆสรรค์ทั้งโลกนี้ก็คือ <c oughs> แต่รู้ต้นแล้วก็กลับมา จะรู้สึกคนอื่นนี่ไม่มีธรรมะเอาเลยเราเท่า ผู้ที่เข้าถึงธรรมะจะรู้ว่าคนอื่นนี่ก็มีธรรมะเรียบร้อยนะคนอื่นก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าโจรมันไม่รู้จักขันธ์ 5 ตามที่เป็นจริงแต่ คนไม่พุทธศาสนิกเข้าใจผิดกันมากธรรมะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวๆเลยครับยิ่งไปวัดแต่ว่านุ่ง เค้าก็เป็นเหมือนเรานะครับแต่ว่าเค้าไม่รู้ตัวเท่านั้นมีโสเภณีกลุ่มนึงขึ้นมา เดนิลผมไปนอนกับโสภณีเนี่ยผมจะไปนอนไม่เดือดร้อนน่ะนะเอาครับจะได้มีโอกาสคุยกันว่า ดังเปรียบโยกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วคนเป็นผู้ต่ำตามนั่นไม่จริงๆจะทุกๆคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่ ผู้ปากษาแห่งซิลิปินก็ขัน 5 ทั้งนั้นแหละครับคือกายกับจิตที่กําลังประกอบ สิ่งที่เป็นสมมุตินั้นอย่างหนึ่งที่เป็นสมมุตินั้นอย่างหนึ่งเช่นเราเรียกกิ้งกาว่ากิ้งกา ดังนั้นเองชีวิตโลกและสากลจักรวาลนี้เป็นมีแต่รูป แต่ครอบเข้ารวมกับทุกๆสิ่งก็ ดังนั้นเองครับหลังจากพระเจ้าตัดโอ้แท้ที่ ถ้าเราฟังออกเราจะเข้าใจดีครับ เขาเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองเข้าธรรมชาติของความหลุดพ้นนะครับจะช่วยทําไมเราจะไปทํา แต่เนื่องจากมันเป็นอยู่แล้วดังนั้นเหลือแต่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเร้าสติให้ตื่นดูที่จะรู้ที่จะ ก็สอนมันเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมุ่งไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้า 6 ถึง 9 นะ เป็นเบตังจุมชนเงินใหม่นะครับที่กันเฮรีกาล่าอาชัณฑะแล้วผมเห็นร่องรอยนั้นด้วยนะครับเพื่อ 120 ธรรมขุดเจาะขึ้นมา ผู้คนชาวพุทธผู้ผู้ที่ไหวตัวหรือ ก็เป็นเป็นเป็นเช่นต่อๆๆเพื่อให้ละทิฏฐิมานะนะครับเพื่อ นึกที่เวลาตรวจน้ําคงนึกออกนะเวลาหัวหน้าอุบาสก สิ่งที่ต่ํากว่านั้นในทุกคนนี่ครับมันเป็นนั่งๆแล้วไม่รู้ตัวง่วงมันเป็นผักกาดดอง โมโหใครจะเกี่ยวกลายเป็นหมาเป็นเสือใช่มั้ยฮะจิตใจมัน <c oughs> ตัวรู้สึกตัวกับเป็นคนครับกับเป็นมนุษย์แล้วจากความเป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวนี้ ให้เป็นคนนอนง่ายทั้งง่ายทั้งยากครับแต่คําปฏิบัติธรรมะที่พระเจ้าสอน มุฑธนันทิริรู้จักกิเลสสักได้ผู้ที่อยู่ในสวรรค์หรือผู้ที่เสวยสุขมากๆนี้จะไม่รู้จักทุกข์ครับไม่รู้จักว่า พรหมโลกครับดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรัสรู้แล้วท่านนึกถึงครูของท่าน คน, คนคน 2 คนนั้นแสดงให้เจ้าชาญคนกตัญญูนะเป็นคนมีความกตัญญูมากๆแล้วก็ครู 2 คนนั้นเป็นบัณฑิตแล้วก็เคยสงเคราะห์ท่านด้วยทั้งๆที่สงเคราะห์ ตายในที่นี้มีความหมาย 2 นัยยะนะครับคือตายจริงๆเนี่ยคือหมดอายุไขหรือความหมายๆนี่ครับไม่ หรือว่าเอาความสุขในพรหมโลกนั้นมาหมมตัวเองอย่างถึงที่แล้ว ธนกิจษาออกไปข้างนอกพบกับกลุ่มศาสนิกจะพบว่า เท่าเทียมกับครูนะครับอุทกะอลาละถึงได้ชวนเป็นครูเลยอุทกะอลาละมาเรามาช่วยกันบริหารคณะทําไมพระ ซึ่งหมอแปลว่าให้มันสงบยิ่งขึ้นสงบยิ่ง <ม. S 1> ก่อนที่ท่านจะลาจากครู 2 คนท่านลำพึงว่าแม้นี้จะเป็นสิ่งสงบก็ตามแต่ยังอาพาธอยู่ก็อาพาธแปลว่ามัน ทุรมานจนถึงที่ไม่รู้อีกแล้วครับพุทธเจ้าเป็นคน ผู้ที่ทรมานตนเสมอเหมือนท่านหนึ่งไม่มีเส้นทดรองกินอุตจาระอันตัวไม่มีอะไรถ่ายออกมาเลยคือคือ รู้เจ้าทดลองนั้นทดลองนี้โดยรอนทดลองนั้นทดลองนี้แต่ตอนที่ท่านจับทางได้นี่ๆแล้วก็มากขณะหนึ่ง <c oughs> ปฏิภาณเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อสมัยท่านดึกแล้วก็ด้วยสติที่ติดอยู่กับลมหายใจ นั่นเองปฏิภาณเกิดวัดขึ้นมาว่าต้องทางทางนี้แน่คือทางที่เรียกว่าเจริญสติแน่นอนและเจริญสตินั้นตอนที่ท่านท่านเป็นเด็กคงเป็นเด็กเนาะถ้าผมเชื่ออย่างนั้น เกลวพระโคดมอนุโมทมากๆเสียแล้วเนี่ยไม่ธรรมะอะไรเค้าแต่สําหรับพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจตัวเองดีครับนั้นเห็นความหรือสไตล์ชีวิตของตัว แต่ตอนนี้ท่านเข้าใจทางนั้นกลับกลายย้อนไม่เข้าใจตอนที่ท่านไม่ได้บวชเหมาะถ้าชอบมีอุปนิสัย เพราะว่าเงื่อนไขที่รู้แจ้งนั้นไม่เกี่ยวกับการบวชการบวชเป็น <c oughs> <c oughs> ท่านเป็นเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะเป็นผู้จัดการด้วยครับแหมเอาหนักจริงๆนะนั้นดังนั้นสาระสําคัญของชีวิตอยู่ตรงการปฏิบัติผมไม่ได้พูดให้ดูเห็นว่าพระไม่สําคัญนะนักบวชก็สําคัญนะครับอย่างน้อยสุดมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดและมีนัก ผู้ใดสมัคร